ธรรมบทแปลเรื่องที่6กเอเรื่องภิกษุอสชิและบุญนภสุกะภาคที่สเรื่องที่สองของวรกที่6ปันดิตวักมนน า, นาพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุอสชิและบุญนภสุกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโอวเดยยานุซาเซยะเป็นต้น เทศนาตั้งขึ้นแล้วที่กิตาคีรีดังได้สดับมาภิกษุสองรูปนั้นแม้เป็นสธิวิหาริกของพระอ克拉สาวกก็จริงถึงอย่างนั้นเธอก็กลายเป็นอรชีเป็นภิกษุชั่วภิกษุสองรูปนั้นม่อยู่ที่กิตาคีรีกับภิกษุห0 0รรูปซึ่งเป็นบริวารของตนเป็นผู้ชั่วช้า ทำอนาจารหลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่าปลูกต้นไม้กระถางเองบ้างใช้ให้เขาปลูกบ้างทำกรรมแห่งภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยอันเกิดแต่กรรมนั้นแต่ทำอาวาตนั้นไม่ให้เป็นที่อยู่แห่งพวกภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักพระสัสดาทรงสดับข่าวนั้นแล้วตรัสเรียกพระอัครสาวกทั้งสองพร้อมด้วยบริวารมา เมื่อทรงประสงค์ทําปรับผาชนิยกรรมแก่ภิกษุพวกนั้นแล้วตรัสว่าสารีบุตรและโมคขลนะเธอพากันไปเถิดในภิกษุเหล่านั้นเหล่าใดไม่เชื่อฟังคําของเธอจงทําปรับผาชนิยกรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นส่วนเหล่าใดเชื่อฟังคําจงว่ากล่าวพร่ำสอนเหล่านั้นธรรมดาผู้ว่ากล่าวสั่งสอน ย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ที่ไม่ใช่บัณฑิตเท่านั้นแต่เป็นที่รักชอบใจของบัณฑิตทั้งหลายดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนติแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคถานี้ว่าโอวเดยานุซาเซยะอะสัพาจะนิวารเยสตังหิโซปโยโหติอสตังหติอปโยติแก้อั บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโอวเดยะความว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วจึงกล่าวชื่อว่าย่อมโอวาตเมื่อยังไม่เกิดเรื่องชี้โทษอันยังมาไม่ถึงด้วยสามารถเป็นต้นว่าแม้โทษจะพึงมีแก่ท่านดังนี้ชื่อว่าย่อมอนุสาต์กล่าวต่อหน้าชื่อว่าย่อมโอวาตส่งทูตหรือสาลไปในที่รับหลัง ชื่อว่าย่อมอนุาสาวร์แม้กล่าวคราวเดียวชื่อว่าย่อมโอวาสกลางบ่อยๆชื่อว่าย่อมอนุาสาวร์อีกอย่างหนึ่งกำลังโอวาสนั่นแหละชื่อว่าอนุาสาวร์พึงกล่าวสั่งสอนอย่างนี้ด้วยประกาศชนีบทว่าอสัพาความว่าพึงข้ามจากอากุศลธรรมพึงให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมบทว่าสตัง ว, ว่าบุคคลเห็นป่านนี้นั้นย่อมเป็นที่รักแห่งสัตว์บูรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ว่าผู้กล่าวผู้สั่งสอนนั้นย่อมไม่เป็นที่รักแห่งพวกที่ไม่เห็นธรรมมีปราโลกอันข้ามล่วงแล้วผู้เห็นแก่อามิต h บวชเพื่อประโยชน์แก่การเลี้ยงชีพเหล่านั้นชื่อว่าอสัตว์บุรุษผู้ทิมแทงด้วยหอกคือปากอย่างนี้ว่า ท่านไม่ใช่อุปชาอาจารย์ของพวกเราว่ากล่าวพวกเราทำไมในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วฝ่ายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปที่กีตากีรีนั้นว่ากล่าวสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นแล้วในภิกษุเหล่านั้นบางพวกก็รับโอวาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติบางพวกก็ศึกไป บางพวกต้องปรับภาชนิยกรรมดังนี้แลเรื่องภิกษุอสชิและปุณพสุกะ